แสหธรรมิกาวักสปาหารสิขาบทว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุเรื่องพระชัพพคี 449. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชัพพคีโกรธไม่พอใจทำร้ายพวกภิกษุสัสตตะรสาวัีพวกภิกษุสัสตตะรสาวคีร้องไห้ ภิกษุทั้งหลายถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกทารองให้ทำไมพวกภิกษุสัตตรัศวคีต่อว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุชัวพคีโกรธไม่พอใจทำร้ายพวกกระผมครับบรรดาภิกษุพวกมักน้อยพากันตาหนีประนามพนธนาว่าฉนัพวกภิกษุชัวบคีจึงโกรธไม่พอใจทําร้ายภิกษุทั้งหลายเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตาหนีพวกภิกษุชบคีโดยประการต่าง